เรื่องพระฉับพัก ค, คีใช้ผ้าห่มขนสัตว์สมัยนั้นพวกภิกษุฉับพัก ค, คีใช้ผ้าห่มขนสัตว์ให้ด้านที่มีขนอยู่ด้านนอกคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนธนาว่าชะไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตร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 รูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎ